ทุติยะิกุสูตรว่าด้วยภิกษุตสูตรที่สองครั้งนั้นภิกสุหลายรูปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสศแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคตรัธรมภิกสุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกสุทั้งหลายทำอันเป็นเอกที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสี่ประการบริบูรณ์ ทำสี่ประการที่พิสษจเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำเจประการบริบูรณ์ทำเจ็ดประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์มีอยู่หรือภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักละถึงพิสษุทั้งหลายได้สะดับจากพระผู้มีพระภาคแล้วจากทรงจำไว้ ภิสูจทั้งหลายทำอันเป็นเอกที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสี่ประการบริบูรณ์ทำสี่ประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำเจประการบริบูรณ์ทำเจประการที่พิกษุนเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์มีอยู่ทำอันเป็นเอกที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสี่ประการบริบูรณ์ ทำสประาการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำ7ประการบริบูรณ์ทำเจประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้ทำสองประการบริบูรณ์เป็นอย่างไรคือทำอันเป็นเอกคืออาณาปานสติสมาธิที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้สติปฐานสประการบริบูรณ์สติปฐานสประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้ว ทำให้พชงเจ็ประการบริบูรณ์พชองเจประการที่พิกษุเจริญทำให้มากแล้วทำให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์อาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงทำให้สติปฐานสี่ประการบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวิในนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดี นั่งคู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกละถึงสำเนียกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสาเนีกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกหนึ่งสมัยใดภิกษุเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว หรือเมื the Hoy, so ่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นและถึงสำเนียกว่าจะรู้แจ้งกองลมทั้งปวงและถึงสำเนีกว่าจะระงับกายยสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระงับกายยสังขารหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเรากล่าวกายอย่างหนึ่งคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเพราะเหตุนั้นสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. ส, สมัยใด ภิกษุสำเนียกว่าจะรู้แจ้งปีติและถึงจะรู้แจ้งสุขจะรู้แจ้งจิตตสังขารและถึงสำเนียกว่าจะระ ง, งับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าจะระ ง, งับจิตตสังขารหายใจออกสมัยนั้นภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ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 สมัยใดภิกษุสำมเนียกว่าจะรู้แจ้งจิตและถึงจะยังจิตให้บันเทิงและถึงสำมเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำมเนียกว่าจะตั้งจิตมั่นหายใจออกสำมเนียกว่าจะเปลืองจิตหายใจเข้าสำมเนียกว่าจะเปลื้องจิตหายใจออกสมัยนั้น ภ, ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่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 อาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แหลทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงทําให้สติปัฏฐานสประการบริบูรณ์สติปัฏฐานสประการที่ภิกษุเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําให้โพชฌงเจ็ประการบริบูรณ์คือ 1. สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่สมัยนั้นสติของเธอตั้งมั่นไม่หลงลืม วงเล็บหนึ่งสมัยใดสติของภิกษุตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญสติสัมโพชงสติสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บสองถือมีสติอยู่อย่างนั้นค้นหาพิจารณาส่อสองธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยใดภิกษุมีสติอยู่อย่างนั้น ค้นหาพิจารณาส่อส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาสมัยนั้นธรรมวิจยะสามโพชงเป็นอันภิกษุปรารพแล้วภิกษุเจริญธรรมวิจยะสามโพชงธรรมวิจยะสามโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บสเมื่อเธอค้นหาพิจารณาส่อส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาความเพียรอันไม่ย่อหย่อนชื่อว่าเป็นอันภิกษุปรารบแล้ว สมัยใดความเพียรไม่ย่อหย่อนเป็นอันภิกษุผู้ค้นคว้าพิจารณาส่อส่องธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารบแล้วสมัยนั้นวิริยะสมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญวิริยะสัมโพชงวิริยะสมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บสี่ปีติไม่มีอามิตรย่อมเกิดแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียร สมัยใดปิติไม่มีอามิ t h เกิดแก่ภิกษุผู้ปรารบความเพียรสมัยนั้นปิติสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญปิติสัมโพชงปิติสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บหแม้กายของภิกษุผู้มีใจมีปิติย่อมระงับแม้จิตก็ระงับสมัยใดแม้กายของภิกษุผู้มีใจมีปิติย่อมระงับ แม้จิตก็ระงับสมัยนั้นปัสธิสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญปัสธิสัมโพชงปัสติสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุวงเล็บหจิตของภิกษุผู้มีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมั่นสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายระงับมีสุขย่อมตั้งมั่น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 ภิกษุเจริญอุเบขาสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุ 2. ส, สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายละถึงสมสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิต 4. ส, สมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ สมัยนั้นสติของเธอย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมวงเล็บหนึ่งสมัยใดสติของภิกษุย่อมตั้งมั่นไม่หลงลืมสมัยนั้นสติสมโพชงเป็นอันภิกษุปรารบแล้วภิกษุเจริญสติสมโพชงสติสมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แกภิกษุละถึงวงเล็บเเธอย่อมเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดี สมัยใดภิกษุเพ่งจิตที่ตั้งมั่นเช่นนั้นอย่างดีสมัยนั้นอุเบขาสัมโพชงเป็นอันภิกษุปรารภแล้วภิกษุเจริญอุเบขาสัมโพชงอุเบขาสัมโพชงจึงถึงความเจริญเต็มที่แก่ภิกษุภิกษุทั้งหลายสติปทานสประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้โพชงเจ็ประการบริบูรณ์ พ่องเจตประการที่ภิกษุเจริญอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะ 2. เจริญธรรมวิจยะสัมโพชงอันอาศัยวิเวก อ, อาศัยวิราคะ อ, อาศัยนิโรดน้อมไปในโวสักคะ และถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวศักคะภิกษุทั้งหลายโพ้ชงเจตประการที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แลททำให้มากแล้วอย่างนี้จึงทำให้วิชาและวิมุตติบริบูรณ์ทุติยภิกขุสูตรที่ 6. จบ สัญโยชนะปหาณสูตรว่าด้วยทมที่เป็นไปเพื่อละสังโยชน์ภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์อาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างไรทำให้มากแล้อย่างไรจึงเป็นไปเพื่อละสังโยชน์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละถึงสาเนีกว่า จะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสำเนีกว่าจะพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกพิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิที่พิกษุเจริญอย่างนี้แลทำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อละสังโยชนโยชนปหาณสูตรที่เจ็จบ 8. อนุเชยะสมุข ค, คาตะสูตรว่าด้วย ทำที่เป็นไปเพื่อถอนอนุัยภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อถอนอนุสัยพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิสดารอาณาปานสติสมาธิที่พิกษุเจริญอย่างนี้แลททำให้มากแล้วอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อถอนอนุัยอนุสยะสมุข ค, คาตสูตที่8จบ 9. อัธานะปริญญาสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัธฐานะภิกษุทั้งหลายอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกำหนดรู้อัธฐานะทางไกลพึงเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิจาราและถึงอาณาปานสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แหลททำให้มากแล้วอย่างนี้ จึงเป็นไปเพื่อกําหนดรู้อัฏฐานะอัฏฐานะปริญญาสูตรที่9ก้าจบ 10. อาสวะขยะสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายอานาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะเพิ่งเพิ่มข้อความที่เหลือให้พิดาร อาณาปานาสติสมาธิที่ภิกษุเจริญอย่างนี้แหลททาให้มากอย่างนี้จึงเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะอาสวะขยะสูที่10จบทุติยวักที่สองจบรวมพระสูที่มีในวักนี้คือ 1. อิชานังคะละสูตร 2. กงกังขยะสูตร 3. ปฐมะอาณันทสูตร 4. ทุติยอาณันทสูตร 5. พาปฐมภพิขุสูตร 6. ทุติยภพิขุสูตร 7. สัญโยชนะปหาณสูตร 8. อนุสยสมุคคาตะสูตร 9. าอั า, อานปริญญาสูตร 10. อาสวรคยสูตรอาณาปานสังยุตที่10จบ สิบเอ็ดโสตาปฏิสังยุตหนึ่งเวลุทวารกวักหมวดว่าด้วยเวลุทวารคามหนึ่งจักวัติราชาสูตรว่าด้วยพระเจ้าจักรพัทเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคละถึงจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย พระเจ้าจักรพัททรงครองราชเป็นอิสราธิบดีแห่งทวีปทั้งสี่หลังจากเสด็จสวรรคตแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทพชั้นดาวดึงเท้าเธอทรงแวดล้อมด้วยหมูนางอับสอนพี่พร้อมบำเรอตนด้วยการมาคุณห้าประการที่เป็นทิพย์สำรานพระไทยในสวนนันทวันที่พบดาวดืงนั้น ท้าเธอไม่ทรงประกอบด้วยธรรมสีประการแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็ไม่ทรงพ้นจากนรกไม่ทรงพ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไม่ทรงพ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไม่ทรงพ้นจากภูมิแห่งเปรตและไม่ทรงพ้นจากอบายทุกติและวินิบาตไปได้ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเลี้ยงอัตภาพด้วยอาหารชื่อแสวงหามาได้ด้วยลาแข้ง นุ่งห่มผ้าที่เศร้าหมองเธอประกอบด้วยธรรมสี่ประการแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นก็พ้นจากนรกพ้นจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานพ้นจากภูมิแห่งเปรตและพ้นจากอบายทุกติและวินิบาตไปได้ธรรมสี่ประการอะไรบ้างคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้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 ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธิอริยสาวกผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายการได้ครองทวีปทั้งสี่กับการได้ทำสี่ประการการครองทวีปทั้งสี่ยังไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสิแห่งการได้ทำสี่ประการเลยจกักรวตติราชาสูตรที่หนึ่งจบ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 มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาสิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมมีอยู่แก่ชนเหล่าใดชนเหล่านั้นย่อมประสบสุขอันอย่างลงสู่พรหมจรรย์ตลอดกาลพรห ม, มจริโยคัทะสูตรที่สอง 3. ที่คาวุอุบาสกสูตรว่าด้วยที่คาวุอุบาสกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวลวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครึอสมัยนั้นอุบาสกชื่อที่คาวุป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักได้เรียกขหบดีชื่อโชติยะผู้เป็นบิดามาขอร้องว่ามาเถิดคุณพ่อ ขอคุณพ่อจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวแล้วกราบทูลตามคําของผมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ข้าวุอุบาโกป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและคุณพ่อจงกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมที่คาวุอุบาศกถึงนิเวศด้วยเถิดโชติยักข้าดีรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่คาวุอุบาศกป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก เขาขอกราบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและฝากมากราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวรโรกาสขอพระองค์ได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จไปเยี่ยมทีอคาวุอุบาศกถึงนิเวศด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาศก ถือบาทและจีวรเสด็จไปยังนิเวศของทีคาวุอุบาสกประทับนั่งบนพุทธ า, าที่ปูลาดไว้แล้วตรัสถามทีขาวุอุบาสกดังนี้ว่าทีขาวุท่านยังสบายดีหรือยัยงพอเป็นอยู่ได้หรือทุกเวทนาทุเลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏอาการกำเริบไม่ปรากฏหรือทีขาวุอุบาสกทูลตอบว่า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 เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาค 2. จะประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนหว้ในพระธรรมและถึง 3. าจะประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวนหว้ในพระสงฆ์ 4. จะประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจไม่ขาดละถึงเป็นไปเพื่อสมาธิชีขาวุ ท่านพึงสำเนียกอย่างนี้แลข้าแต่พระองค์ผู้เจริญองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการใดที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ธรรมคือองค์เครื่องบรรลุโสดาเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็เห็นธรรมเหล่านั้นก็ข้าพระองค์หนึ่งประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น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 ท่านเพึงตั้งอยู่ในองค์เครื่องบรรลุโสดาสีประการนี้แล้วเจริญธรรมอันเป็นส่วนแห่งวิชาหประการให้ยิ่งขึ้นไปว่าที่คาวุในเรื่องนี้ท่านจงพิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกมีความหมายรู้ในสิ่งที่เป็นทุกว่าเป็นอนัตตามีความหมายรู้ในการละมีความหมายรู้ในการคลายออกได้ มีความหมายรู้ในความดับทีขาวุท่านพึงสำเนียกอย่างนี้แหละข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทําอันเป็นส่วนแห่งวิชาหประการใดที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในข้าพระองค์และข้าพระองค์ก็เห็นธรรมเหล่านั้นข้าพระองค์พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงมีความหมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์ มีความหมายรู้ในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นอนัตตามีความหมายรู้ในการละมีความหมายรู้ในการคลายออกได้มีความหมายรู้ในความดับอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์มีความคิดว่าเมื่อข้าพระองค์ล่วงลับไปโชติยะขหาบดีนี้ย่าได้ถึงความคับแค้นเลยโชติยะขหาบดีกล่าวว่าพ่อทีคาวุเธ อ, อย่าได้ใส่ใจอย่างนั้นเลย เธอจงใส่ใจถึงพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้นั้นแหละให้ดีเถิดครั้นพระผู้มีพระภาคตรัสสอนทีคาวุอุบาสกด้วยพระโอวาทนี้แล้วได้เสด็จลูกจากอาสนะจากไปเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานทีคาวุอุบาสกก็ได้ถึงแก่กรรมต่อมาภิกษุหลายรูปพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ขาวุบาสกที่พระองค์ตรัสสอนด้วยพระโอวาทโ ด, ดยย่อได้ถึงแกศกรรมแล้วคติของเขาเป็นอย่างไรอภิสัมปรยพเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายที่ข้าวูบาสกเป็นบัณฑิต พูดความจริงถูกต้องตามธรรมทั้งไม่เบียดเบียนเราเพราะเหตุแห่งธรรมภิกษุทั้งหลายเพราะโอรัมภากิยสังโยตสังโย์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปที่ขาวุุบาสกจึงเป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกที่ขาวุุปาสกสูตรที่สาจบ ปฐมมสารีบุตตสูตรว่าด้วยพระสารีบุตรสูตรที่หนึ่งสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานน์อยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบินกะเศรษฐีเคครุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นท่านพระอานน์ออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควร ได้ถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรเพราะประกอบด้วยธรรมเท่าไรพระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรหมู่สัตว์นี้ว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุเพราะประกอบด้วยธรรมสีประการพระผู้มีพระภาคจึงทรงพยากรหมู่สัต์นี้ว่า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 พระสารีบุตรสูตรที่สองครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรที่เรียกว่าองค์เครื่องบรรลุโสดาองค์เครื่องบรรลุโสดาองค์เครื่องบรรลุโสดาเป็นอย่างไรท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่า ค่าแต่พระองค์ผู้เจริญสัพุริสสะสังเสวะการคบหาสัตว์รุษเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสัตธรรมมัสสวนะการฟังพระสัตธรรมเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาโยนิโสมนสัสการการมนสัสการโดยแยกคายเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาธรรมานุธรรมปฏิปติการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดา ดีล wow. ะดีล wow. ะสารีบุตร ส, สัป e ุริสะสังเสวะเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสัทธมัสวะณะเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาโยนิโสมนัสการเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาธัมมานุธรรมปฏิปติเป็นองค์เครื่องบรรลุโสดาสารีบุตรที่เรียกว่าโสดาโสดาโสดาเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอริยมรรคมีองค์แปดคือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะสสัมมาวาจา 4. สัมมากรมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธินี้แลเป็นโสดาดีละดีละสารีบุตรอริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง แสัมมาสมาธินี้แลเป็นโสดาสารีบุตรที่เรียกว่าผู้บรรลุโสดาคือใครข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8นี้ผู้นี้เรียกว่าผู้บรรลุโสดาท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้ดีละดีละสารีบุตรผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8ดนี้ผู้นี้เรียกว่า ผู้บรรลุโสดาท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนี้ทุติยะสารีปุตตสทูที่ห้าจบหกทปฏิสูตรว่าด้วยช่างไม้ เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุจำนวนมากทำจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีจีวรสำเร็จแล้วล่วงสามเดินก็จะเสด็จจาริกไปสมัยนั้นช่างไม้ชื่ออิสิท ต, ตะและบุราณะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสวยชื่อสาธุกะด้วยกรณีกิจบางอย่างได้ทราบข่าวว่า ภิกษุจำนวนมากทําจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคด้วยหวังว่าพระผู้มีพระภาคทรงมีจีวรสําเร็จแล้วล่วงไปสามเดือนก็จากเสด็จแจริกไปต่อมาช่างไม้ชื่ออิสิทัตะและปุราณนะได้จัดบุรุษเฝ้าหนทางไว้สั่งว่าพ่อมหาจําเริญเมื่อใดท่านเห็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมา เมื่อนั้นท่านก็พึงบอกพวกเราบุรุษนั้นเฝ้าอยู่ได้สองถึงสามวันก็ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาช่างไม้ชื่ออิสิทั ต, ตะและปุรานะถึงที่อยู่แล้วบอกดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากําลังเสด็จมาขอท่านทั้งหลายจงทราบเวลาอันสมควรในบัดนี้เถิดลาดับนั้น ช่างไม้ชื่ออิสิท ต, ตะและปุราณนะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปริศดางขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแวะข้างทางเสด็จเข้าไปยังโคนไม้แห่งหนึ่งแล้วประทับนั่งบนพุทธาธที่ปูลาดไว้แล้วช่างไม้ชื่ออิสิท ต, ตะและปุราณนะ ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจากเสด็จจาริกจากปรุงสาวัตถีไปตามเมืองต่างๆในแคว้นโคศลเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่า พระผู้มีพระภาคจะห่างเราทั้งหลายไปเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากกรุงสาวัตถีไปตามเมืองต่างๆในแคว้นโคโลแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็น้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคได้ห่างเราทั้งหลายไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่า จากเสด็จจ้าริกจากแคว้นโคศนไปยังแคว้นมันละเมื่อ น, นั้นข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคจะห่างเราทั้งหลายไปแต่เมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจ้าริกจากแคว้นโคศนไปยังแคว้นมันละแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็น้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคได้ห่างเราทั้งหลายไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อนนัเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจากเสด็จจาริกจากแคว้นมันละไปะยังแคว้นวัชีเมื่อ น, นั้นข้าพระองค์ทั้งหลายน้อยใจและเสียใจว่าพระผู้มีพระภาคจะขางเราทั้งหลายไปเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากแคว้นมันละไปยังแคว้นวัชีแล้วเมื่อนั้น enders, ข้าพระองค์ทั้งหลายก็น้อยใจและเสียใจว่า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 จากเสด็จจาริกจากแควนมคตมาแขวนกาสีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคจะอยู่ใกล้เราทั้งหลายเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากแขวนมคตมาแขวนกาสีแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อันหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจกเสด็จจ้าริกจากแคว้นกาสีมาแคว้นวัชีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภ า, ภภาคจกอยู่ใกล้เราทั้งหลายเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจากแคว้นกาสีมาแคว้นวัชีแล้วเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปลื้มใจและดีใจว่า พระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึง่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจากเสด็จจาริจากจักแคว้นวัชีมาแคว้นมัลละเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคจากอยู่ใกล้เราทั้งหลายเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จจาริกจักแคว้นวัชีมาแคว้นมัลละแล้ว เมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจากเสด็จจาริจจะแคว้นมันละมาแคว้นโกรศนเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคจะอยู่ใกล้เราทั้งหลาย เมื่อใดได้ทราบข่าวว่าได้เสด็จาริกจากแคว้นมันละมาแคว้นโคสนแล้วเมื่อ น, นั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อใดข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทราบข่าวพระผู้มีพระภาคว่าจากเสด็จาริกจากเมืองต่างๆในแคว้นโกสนมากรุงสาวัตถีเมื่อ น, นั้น ข้าพระองค์ทั้งหลายปลื้มใจและดีใจว่าพระผู้มีพระภาคจะอยู่ใกล้ข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อใดได้ทราบข่าวว่าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินิกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายก็ปลื้มใจและดีใจมากว่าพระผู้มีพระภาคได้อยู่ใกล้เราทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าช่างไม้ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นการอยู่ครองเรือนในโลกนี้คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีส่วนบรรพชาปลอดโปรง่งท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความคับแคบอื่นที่คับแคบกว่าและที่นับว่าเป็นความคับแคบกว่าความคับแคบนี้ของข้าพระองค์ทั้งหลายมีอยู่หรือช่างไม้ทั้งหลายความคับแคบอื่นที่คับแคบกว่า และที่นับว่าเป็นความคับแคบกว่าความคับแคบนี้ของท่านทั้งหลายเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสเมื่อใดพระเจ้าปเสนทิโกสนมีพระราชประสงค์จะเสด็จไปพระราชอุทยานเมื่อนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายต้องกำหนดช้างทรงของพระเจ้าปเสนธิโกศนแล้วทูลเชิญให้พระชายาทั้งหลายซึ่งเป็นที่สิเนหาโปรโดปราน ของพระเจ้าเปเสนที่โคศลประทับนั่งเบื้องหน้าพระพักพระองค์หนึ่งเบื้องพระปริสดางพระองค์หนึ่งกลิ่นของพระชายาเหล่านั้นเปรียบเหมือนกลิ่นของนางราชกัญญาผู้ลูบไลด้วยของหอมดังขวดน้ําหอมที่เปิดในขณะนั้นอันหนึ่งการสัมผัสกายของพระชายาเหล่านั้นก็เป็นเหมือนการสัมผัสกายของนางราชกัญญาผู้ดํารงอยู่ในความสุขดังปุยนุ่น หรือปุ๋ยฝ้ายเมื่อนั้นทั้งช้างทั้งพระชายาเหล่านั้นทั้งพระราชาข้าพระองค์ทั้งหลายก็ต้องเฝ้าระวังรักษาแต่ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่รู้สึกว่าจะให้ความคิดเลวๆเกิดขึ้นในพระชายาเหล่านั้นได้เลยนี้แลคือความคับแคบอื่นที่คับแคบกว่าและที่นับว่าเป็นความคับแคบกว่าความคับแคบนี้ของข้าพระองค์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าข่า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 ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่วันไหวในพระสงฆ์และถึงอันหนึ่งทายรมทุกอย่างในตระกูลเป็นของไม่แบ่งแยกกับท่านผู้มีศีลมีธรรมอันงามท่านทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือชาวโกศลมีจำนวนเท่าไหร่ท่านทั้งหลายก็เฉลี่ยแบ่งปันให้เท่าๆกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นลาของข้าพระองค์ทั้งหลาย ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ดีแล้วที่พระผู้มีพระภาคทรงทราบชัดอย่างนี้ทปาติสูที่หกจบ